การเวลาก็ร่วงเลยมารู้สึกว่าไวและเร็วมากเราท่านพุทธศาสนิกและท่านอุบาสกมรดิกาทั้งหลายถึงวันพระวันโกนล้วก็เตรียมการเข้าวัดมาเพื่อรงชื่อเพื่อเข้ากรรมฐ า, านเจริญอุบโบสถศิลเจ็ดวันเจ็ดคืน รักษาอุโบสถระยะยาวแต่ผู้ที่มารักษาอุโบสถตามวันพระมีกิจการมากก็ใช้เวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในวันนั้นรับอุโบสถมาจากบ้านก็ได้เนื่องจากว่าเรามีเวลาน้อย ก็สมาทานอุโบสถสศจฉิคือศัลอุโบสถสมาทานต่อหน้าพระพุทธจเจ้าลูกปฏิมากรรมก็ได้เพื่อตั้งสัจจะที่ฐานว่าขอรักษาโบสถ ต, ตลอดคืนหนึ่งในวันหนึ่งในวันนั้นคือวันอุโบสถมันพระแล้วก็เดินทางมาวัด แล้วก็รับจากประสงค์อีกครัง้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจต่อไปก็ใช้ได้ <c oughs> <c oughs> การที่สมัยโบราณทุต ก, กาลมาพระไม่ค่อยมีพระพุทธเจ้าสอนการสมาทานสินบำเพ็ญสีนภาวนาแล้ก็รักษาอุโบสถโดคีเลสิกีพลยัย กติอโอกาสสมาทานตั้งสัจจะที่ฐานขอรับ้นอุโบสถมีกำหนอดองค์แปดนาการแล้วก็ถือกายกรรมสามมชีกรรมสี่มโนกรรมสามเป็นต้นกายกรรมสามคือกรรมตั้งกายไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาไม่ฆ่าสัต ไม่รักทรัพย์ไม่ลวงประเวณีเป็นต้นหมายความว่าเรากายกรรมมีสาการทางกายสาคือไม่รักไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ลวงประพุทธประเวณีวัตถิกรมสี่ เราก็ไม่พูดเท็จเราไม่พูดคำหยาบเราไม่พูดเคืเอ่อเจออันนี้เราก็ขอปฏิญาณตนทั้งญานสมาทานในองค์สินภาวนามโนกรรมสามเราไม่โลภอยากได้ทรัพย์สินเงินทองของใคร ถรเร า, าสาจิตใจให้มั่นคงมีเมตตามโนกรรมสามจิตก็มั่นคงโดยองค์ศีลภาวนาไม่โลภอยากได้ทรัพย์ถึงเงินทองก็ใครไม่คิดอาฆ่าเจ็บแค้นใจโกกเพระยเมตตาทำเป็นต้นเรียกว่ามโนธรรม เราก็สามารถจะที่ฐานได้ถ้าเราอยู่ห่างวัดทางวาคาไม่มีพระสงค์องค์เจ้าเราก็ปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธจุ ด, ดทูนเทียนบูชาพระนันตายจะขอสมาทานอุโบสถสัินจเราก็รักษาอุโบสถตหนดวันจะคืน ก็สา ม, มารถจิตทีฐานจิตตั้งส ต, ติอารมณ์มาเป็นสิลภาวนาก็ได้แล้วพระเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเีนเราเดินทางมาไม่ไกลเราก็สมาทานที่บ้านของเราเดินปัตตามฐ า, านเดินตรงกลมนั่งปฏิบัติธรรมที่บ้านสมาทานปัตตามฐ า, านที่บ้าน อหนา้าพระพุทธเจ้าปธิมากรรมก็ได้แล้วรับสินก็เรารับสินของเราเองโดยอธิษฐานจิตตัณฑ์อารมณ์หรือเราไม่รักษาโบสดเรารับสินแค่สินแปไม่ใช่โบสดก็ได้ <c oughs> รับสินห้าก็ได้ สมาทานองศิลจตนาศินมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนณาธายะแล้วก็สมาทานต่อไปปานาติปาตาเวลมณีจุธาปะทาังสมาธิยามว่าไปที่ตั้งสัจจาที่ฐานโดยไม่มีกระสงก็สา ม, มารถจาธิฐานได้แต่เราเดินทางมาถึงวัด เราก็รับจักรละเพื่อให้มั่นใ จ, จแสดงออกเข้าในถึงเพื่อถึงคุณประสิทธินาตใยถ้าผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วเราสามารถสมาทานที่บ้านแล้วก็สมาทานองค์กรรมฐานแล้วก็เดินตรงกรมนั่งปฏิบัติภาวนาก็ได้จะทำได้จะฝึกได้แล้ว ไม่ใช่หมายความว่ายังไม่ทําอะไรเลยกสมาทานแปลว่าอะไรก็ยังไม่รู้ถ้าเราจะไปทําเอาเองโดยเอาหนังสือมาอ่านมีหลายคนมาถามว่าทําที่บ้านได้ไหมบอกใคราป็นครูที่จะแนะนําคร่ำสอนบอกไม่มีแล้วเคยปฏิบัติไหมไม่เคยไม่เคยก็ทํำไม่ได้ ไม่ใช่อ่านหนังสือแลกก่อปฏิบัติได้เป็นไปไม่ได้คำนี้อาจจะผิดทางผิดแนวปฏิบัติอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นก็อาจจะเป็นได้ไมีประการที่เรมาวัดแล้วก็ต้องมาหาครูบาอาจารย์แนะนําเข้าถึงพระลพนาตายบางท่านคือเข้ามาวัดถามว่าพลพนาตายมีอะไรบ้างต อ, อบไม่ได้ คุณพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างตอบไม่ได้คุณของข้าคุณของพระธรรมมีอะไรบ้างก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าคุณของพระธรรมคืออะไรคุณของประสงค์คืออะไรเมื่อตอบไม่ได้แล้วไหนเลยเราจะทำได้จะปฏิบัติได้ส่วนมากพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายนับถือพุทธศาสนาแต่ชื่อ ตาปู่ย่าตายายนับถือมากอถือมากลื้อเลื่อยๆไม่ได้เคยเล่าเรียนศึกษากราบพระก็ไม่เป็นไหวพระก็ไม่เป็นกระนอมนึทิ้งลัตนาศีลลัตนาธรรมก็ไม่เป็นอิจลัตนาศีลไม่ได้ลัตนาธรรมไม่ได้ไหยทานไม่ได้ทอย่างนี้เป็นต้น จะเรียกว่าเรานะัอพูดเนี่ยแสนจะแสนจะยากมากทั้นสาธุชนทั้งหลายชั่งพยายามต้องศึกษาแสวงหาวิชาความมู้ทางพุทธศาสนาถึงวันพระเราก็มาเรียนปฏิบัติธรรมเข้าถึงพุทธธรรมให้ได้คือเข้าถึงคุณปัจจัยตัณฑ์กายให้ได้ วิธีการเข้าถึงคุณพระิรัธนาตายเข้าทางไหนบางคนบอกไม่ทราบไม่รู้จะเข้าทางไหนคุณพระริธนาตายคือแก้วสามประการเรียกว่าสามสามก้ามีเก้าอย่างก็ควรจะทราบไว้ศึกษาไว้หาความรู้ด้วยไม่ใช่มาวัดมานั่งหลับตาท่านจะไปสวรรค์นิพพาน แค่ยืนหนอห้าพลางก็ยังทําไม่ได้ให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆปองหนอลูกหนอก็ทําไม่ได้อีกเลยก็ไม่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์เป็นชื่นเป็นอันให้แก่ท่านทั้งหลายเปรียบประการใดคําว่าขวายากหนอซ้ายยากหนอให้ได้จงังหวะ กมาถามหลายท่านหลายคนแล้วที่มาปฏิบัติบอกโยมเดินดวงกลมได้ไหมได้เดินให้ดูที่เดินไม่ได้จังหวะนลยขวายากก็ไม่ได้จังหวะซ้ายยากก็ไม่ได้จังหวะเพราะฉะนั้นการเดินปฏิบัติเนี่ยต้องได้ให้จังหวะต้องเดินให้ดูทีละคนต้องดูด้วย ไม่ใช่ว่าไปดูเขาเดินแล้วก็เดินได้ไม่เป็นความจริงเลยขวาอย่างหนอยาซ้าอย่างหนอดูแล้วก็ว่าได้ทําง่ายแต่ไงเมื่อเราไปเดินเข้ามาั่งขวาย่างยังไม่ทันหนอไปแล้วซ้ายัางไม่ทันยางไปแล้วเลยไม่ได้จังหวะไปอดีตไปอนาคตไปเลยปัจจุบันไม่ได้ ในเมื่อไม่ได้ปัจจุบันเช่นนี้แล้วไหนเล้วลโยมอาจจะได้สมาธิสมิสเิปฐานสี่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรตรงนี้ขอฝากนะโยมไม่ใช่ว่ามาทำง่ายนะขอผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์แนะนาต้องให้เดินให้ดูด้วยไม่ใช่เราเดินเราก็นัง่งดูเขาทำไม่ใช่เช่นนั้น ต้องให้เดินดูด้วยทุกคนที่ขวายาหนอและตาดูที่เท้าริเปล่ายืนหนอห้าครั้งสติปัจทิตจิตลงไปได้ไหมถ้าสติปัิจิตจิตลงไปหนอลงไปแล้วก็ยืนจากปลายเท้าถึงสะโดยและหนอขึ้นมาถ้าทำได้นะจะเกิดสมาธิจะเกิดจิกและสะติอยู่ด้วยกัน ถึงจะเกิดปัญญาถึงจะทบทวนจิตใจของเราได้สมปรารถนาทุกประการอย่างนี้มีความหมายอย่างนั้นไม่ใช่ทำได้นะบงค้บอกทำได้บอกว่ากาหนดให้ดูที่ว่าดังๆาัาบมุมีไปจะไปรู้อะไรต้องว่าให้ดังๆเราถึงจะรู้ว่าเขาทำได้ไหมไม่ได้จังหวะเลยเยืนเยยังไม่ทันหนหนอไปแล้วยืนยังไม่ทันได้จังหวะไปแล้ว ยืนพบทวนจากเท้าขึ้นมาไม่ได้จังหวะเพราะไม่ไม่ได้จังหวงะไ ม, ไ, ม ไ, หวไม่ได้ปัดกุมบันนั่นเองจึงไม่ได้ผลเลยทําไปทํามาสับสนกันใหญ่สับสนเลยไม่ได้อะไรกลับไปขอพกื้เอื้อพรญาติโยมต้องเข้าใจไม่ใช่ของง่ายนะไม่ใช่มาฟังคาเทศตามบทชีพรามอง์โน้นเทศมาอง์นี้เทศมา เรื่องไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างเรื่องช้าโดกบ้างเรื่องอะไรบ้างพุทธสัดนดรบ้างอย่างนั้นไม่เฉยปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่จะโค้งง่ายจะต้องปฏิบัติให้ชํานาญให้เชี่ยวชาญให้มีสติให้มีปัญญาให้ตรงได้ให้การแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้ได้ด้วยไม่ใช่ของง่าย ได้มาถามบอกรู้แล้วเดินได้แล้วบอกให้เดินให้ดูเดินไม่ได้จังหวะนึงโดยเดินยกสูงไปมาอะไรบ้างขวายาหนอต้องหดุดสังนิดหนึ่งแล้วถึงจะสบายยาหนอหยุดสั้งนิดหนึ่งถึงจะโลว่าสต์เตดีไหมจิตเขาละดวงหรือดวงเดียวกันกําหนดนั่น่ะ มันเกิดมันดับประการไดถ้าตีอยู่ตรงไหนสัมปัชัญยะรู้ตัวอย่างไรไม่ใช่เดินสวนสนามเดินไปก็ไม่ได้จังหวะจกโคน้นเลยก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมีเวทนาก็กำหนดไม่ได้ยินกำหนดยิงปวดหนักก็ศึกษาให้เข้าใจต้องอดทนด้วยอดทนเปิไใครอดทน กลากลามทนลำบากทนเจ็บใจใครจะพูดยังไงก็ช่างเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปสนใจกับเขาเขาจะด่าจะว่านี่จะพูดจะยังไรเราก็อย่าไปสนใจให้กำหนดเนี่ยการกำหนดจิตต้องการมีสติปัญญาการกำหนดจิตเนี่ยต้องการจะให้เรารู้ตัวเอง ว่าไม่สนใจกับเขาเราจะไปฟังเขาแล้วก็เอาเรื่องเขามาทำใหม่กระพาะเรื่องของเราก็เต็มเปาึนกระเป๋าอยู่มากหลากหลายมาแล้วเียงกาหนดไม่ได้ยังฟุง้งขลานอยู่ตลอดเลยการไหนเลยเราจะไปเอาเรื่องอโกโนนมาทุกของเราก็เต็มตัวอยู่แล้วเอาทุกจร น, นอกตัวไม่เนี่ยผู้ปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติได้แล้วท่านจะแก้ปัญหาชีวิตได้ ท่านจะไม่มีปัญหาในตัวท่านบางคนเนี่ยกลับไปแล้วมีปัญหาถามที่ไม่เป็นเรื่องเป็นลาวบางคนเนี่ยไปเข้าเจ้าเข่าทรงไปเข้าทรงมาแล้วก็มานั่งกรรมฐ า, านบางคนก็นไปว่าพุทธโทมาแล้วก็มานั่งพองยกเดี๋ยวก็มาพุทธโทเดี๋ยวก็มาพองยกเดี๋ยวก็อลาหังเลยไม่ได้อะไรเกิดขึ้นสติไม่พอที่จะต้อง มีปัญญาแยกแก้ไขปัญหาไดา้เราเข้ามาสู่ทางพระพุทธศาสนาเข้าทางไหนจะเข้าทางไหนแน่เราก็เข้าทางรัตนตร ย, ยึดเหนี่ยวทางใจตลอดชีวิตเราเข้าตั้งแต่น้ำโมน้ำโมนี่พระพุทธเจ้าสอนเราหรือเปล่าสอนให้ตั้งน้ำโมก่อนเสมอไหม ขอจเจริญพรญาติโยมอ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนโมตัสสะปะตะวะโตไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าของเรานั้นสอนชาวโลกให้พ้นรห้ตะกองทุกหนานักประการทั้งยักษ์ทั้งมารอาศูนทั้งหลายจะมาดาพระพุทธเจ้ายัางไงพระเจ้าก็ไม่โกรธไม่ลงโทษสาตาศิลายักษ อาสุน ท, า ท, ทลาหูเป็นตน้นก็ว่าพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธเจ้าคือยักษ์อาสุนทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่โกรธมีแต่เมตตาแล้วก็ไม่คิดพิจารณาว่าจะต้องให้ชาวโลกมากราบมาไหว้พระองค์ หรือยกย่องให้พระองค์เป็นศาสดาของพวกเรามากราบมาไหว้อ่อนน้อมทำตนต่อพระเจา้จาพระเจ้าก็เป็นสอนอย่างนั้นเลยและไม่ได้สอนให้มาเคารพ บ, บูชาท่านทางสอนให้เราละชั่วให้เราสร้างความดีให้เรามีปัญญา รัษาจิให้ผ่องใสทำใจสะอาดสอนตรงนี้สิสอนให้เราจะได้ช่วยตัวเองได้จะได้พึ่งตังได้สอนตัวเองได้สอนอย่างนั้นสาตาศีรษยะอสูรทั้งหลายยากลายเห็นตาผูดชจากอแสดงตัวร่างกายกายำใหญ่โตมโหฬาร ไม่ได้แสดงการเคารพต่อพระพุทธเจ้าเแต่ประการใดพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าก้าวร้ายพระพุทเจ้ามาเดีสอนให้เราไปเคารพบูชาท่านเลยสอนให้เราสร้างแต่ความดีให้ละความชั่วต่างสติอารมณ์สร้างอารมณ์ให้ดี แต่ตรงเจริญหนนะ้าที่รงานรับผิดชอบชีวิต ต, ตัวเองสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนให้มากราบไหว้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มายกย่องพระองค์ว่าเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายก็หามไม่ได้พวกยักล้ายก็เห็นพระพุทธเจ้าว่วาอ๋อพระองค์นี่ ไม่ได้โกรธได้เคืองท่านปู่ดายเลยใครจะดา่าใครจะว่าก็ไม่โกรธไม่เคืองดังจะเห็นได้ว่าพระ น, นรียานุชากราทูให้ทรงทเด็จหนีคนดา่าคนว่าเขาด่าเราเขาว่าเราทรงทเด็จพระเจ้ค่ะหนีเขาดา่า เจ้าเจ้าก็แต่จะอนุนธิอนุชาวะดูละอานุนธิอนุชาพอเราเสด็จไปที่โนดเขาด่าเราอีกจ้ะเขาว่าเราเราจะเสด็จไปที่ไหนเอาหนีต่อไปอีกไปตกะหนีต่อไปก็เขาก็ด่าเราอีกจะไปที่ไหนเล่าอนุนธิอนุชาก็หนีลงไปกลางทะเล กลางทะเลก็มีเรือมาอีกแล้วมาด่าล้วอีกตอนหนีไปไหนเราอนนท์แล้วนนนละจะทำยังไงเราไปเจ้าขาอ๋อนนอนอนท์ศีลุชาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใดต้องดับที่นั่นม่เกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นเกิดที่ไหนต้องแก้ไขที่นั่นคืออริยาสานสี่ทุกขระมุกกรนหม่อมมีรถมาก เกิดทุกข์แล้วหาเหตุที่มาของทุกข์ให้ได้เขามาดา่าเราเรื่องอะไรเราก็หาเหตุให้ได้ว่าเขาดา่าเราเรื่องอะไรแเราอยไปรับเรื่องเขามาทําไมอันนอนเหนือ่อยอันนอนเสียหุชารอจงแก้ไขที่เขาดา่าเราเราอย่าไปโกรธเขาเขาดา่าเราเนี่ยมันถูกไหมว่าเราเป็นคนชั่วหรือคนดีคนมีปัญญาเ้าดา่าเราว่าคนชั่ว คนเรวถ้าเราตรงพิ่เจรณาตัวเองว่าเราเร็วไหมเราเป็นคนทั่วตามที่เขาว่าไหมแล้วเราเป็นคนเร็วตามที่เขากล่าวไหมไม่มีเลยแล้วเมื่อไม่มีเราก็ไปโตเขาสมัยถ้ามีว่าเราเร็วจริงตามที่กล่าวแล้วเราก็แก้ไขตัวเองนะอ น, น, นุนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป อย่าไปเอามาอีกอย่าไปสร้างความทั่วอย่างนั้นอีกมันก็แก้ได้จะหนีไปที่ไหนแล้วอนอนที่ัะแก้มันไม่มีทางแก้ต้องแก้ที่ตัวแล้วเขด่าเราไม่จะไปแก้ที่คนดา่าต้องแก้ที่ตัวแล้วนี่คือกรรมฐานจะชัดท่านสาธุชนทั้งหลายนี่เนี่ยการทากรรมฐานเนี่ยถึงจะแก้ได้ ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากงนเมื่อไปเช่นนี้แล้วเราพุทธเจ้าของเราไม่เคยสอนให้ไทยอ่อน น, อน้อมท่อมตนเมื่อตั้งน้ำโมก่อนเสมอจาตากิลายักษ์สุลินทราหูทิเป็นยักษ์ทีปางพุทธสา ย, ย่าติวันพนนากศีท่านสายญา โปรดสุลินทรลาหูเทศโปรดโดยการนอนยักษ์มันตัวใหญ่โดยพระองค์แสดงตัวใหญ่ขึ้นทําให้พระองค์ให้ใหญ่ก็ยักษ์ยักษ์มองเห็นรัทธาตาศิลายักษ์ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะั้นไม่เคยโปรดใครด่าก็ไม่โกรดว่าก็ไม่โกรดมีแต่แม่ตาอย่างเดียวพระมาหากุณฑคุณอล้นเหลือ ล้นจากคานาแาล้ลสตาคิลายักษ์ซึ่งได้มองเห็นการไกลามอ๋อเมื่อเราเป็นยักษ์เราว่าด่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ด่าตอบท่านก็ไม่สนใจในการด่ากันว่าการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแต่พระองค์มีแต่เมตตาพระมาทกรณิคูณตลอดรายการ ไม่ต้องการให้มาใครมากราบไหว้ท่านไม่ต้องการใครที่จะยกย่องพระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจา้าเป็นทศดาของท่านทั้งหลายเลยสาตาทุลายักษ์จึงได้อ่อนน้อมทอมโต น, นุมาตั้งนมโมตัดสักพระกวะโตมีทั้งห้าอสูนว่าพระต่อนนมโมตัดสะคนหนึ่งก็พระวะโตคนหนึ่งอัลลาโต คนหนึ่งซ้ำมาตามพุทธศาสดาก็อนอนถ่อมตอนนี่เนี่ยยักเป็นคนตั้งนโมนโมแปลว่าตั้งน้อมว้าพระพุทธเจ้าไม่ใจคนอื่นเลยแต่ใครถามว่าใครเป็นคนตั้งนโมสาตาสิายาญะยักษ์เป็นคนตั้งหนอบน้อมพระพุทธเจ้าในอยู่แหละท่านสาธุชนทั้งหลาย เราพระเจ้าไม่เคยโกรธใครและไม่เคยตอบใครขึ้นมาด่ามาว่าอย่างไรไม่ต้องการให้มากราบมาไหว้ไม่ต้องการให้ยกย่องว่าพระองค์เป็นศาสดาของท่านทั้งหลายท่านไม่ได้โกรธใครเลยมีแต่พระมหาภูาุณาธิคุณอันทึง่งเนี่ยเราเรียกกันว่าเมตตาสูงมาก เลยยักยักษ์เคารพบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดตรงนี้พระพุทธเจ้าชนะมารขณะที่นั่งสมาธิพวกมารลายก็มาไจนที่เรียกว่าพาห ม, มาตายดูอ่านนี้เรื่องกระตูนี่ยยักษ์ก็มีพวกมาร้ายก็มีมาทําลายพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าชนะมารเรียกว่าปางมารวิชัย พระพุทธรูก ป, ปางมารจุวิชัยในโบสถ์นั้นชนะมารทั้งหมดคือก็คือพาหูมหาตาบทพุทธคุณธรรมคุณชังคุณพาหุมหาตาเนี่ยเป็นสหรับชาวพุทธิจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาแต่ไม่สวัดจันไม่เข้าถึงเนี่ยสวัดนี่แล้วเรียกว่าะเจ้าชนะมารชนะมารมารแพร้ไปท่านสร้างสมาธิ อชนะมาและอสโงมาน ก, ก็เอาพระหัตต์วางที่กระเพราอย่างนี้เรียกว่าปางมารวิชัยก็ะองค์ชนะซึ่งมาร้ายทั้งหมดแล้วเขาจึงนิยมสร้างพระพุทธรูปปางเนี่ยปฏิมาธรรมไว้ในโบสถ์เป็นท้าประานเรียกวชนะมารหมดแล้วญาติโยมทั้งหลายที่เรามาเข้าถึงพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา ข้อการจะชนะมารข้อการจะไม่ให้มีมาร้ายอยู่ในจิตใจของเราอีกต่อไปแล้วและจะไม่สร้างศัตรูให้กับตัวเองจะเป็นผู้ที่มีเมตตาทาสูงขึ้นไปตามมะดับไม่ใช่มาวัดมาหาเรื่องหาลาวมาทะเลาะคนนนมาทะเลาะคนนี้มาลักข่าวลักของอะไรทานองนี้เป็นต้นแล้วกลับไปบ้านกว่าไปทะเลาะกัน มาวานี่กบคุยก็ะยติโยมเ้าก็มีแย่งสมบัติกันพี่น้องทะเลาะ ก, กันไม่ได้เชื่อพ่อแม่เลยกระทั่งถึงมานั่งกรรมฐานแสดงว่าเขาเข้าไม่ถึงพุทธธรรมไม่ได้เข้าปฏิบัติทำกรรมฐานเลยแม้แต่พ่อเดียวไม่ได้ผลไม่ได้อาหนี้สงที่ทางเข้าทางพุทธวิปัสสนา เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั้นเข้าด้วยทระอัฏฐนาฏายนโมเนี่ยยักษ์ศูนย์ทั้งหลายยังอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพุทธเจ้าก็ตั้งทีพระพุทธเจ้าท่านมาเดินวัดสนใจให้ไปไหว้ท่านมาได้บอกให้มากราบท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นตถสดาไม่ต้องมาเคารพบูชาท่านกับราการใด แต่ความดีของพระบุทธเจ้ายิ่งในโลกโดยพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวโลกนั้นให้ชาวโลกคนที่กระจัดกองทุกข น, นาประการเป็นบทงานนำงานบทความที่ลึกซึ้งมากทำให้ประชาชนทั้งหลายม า, สาสแสดงการเคารพบูชาพิะเจ้าว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพน้น ต่อชาวโลกไม่ใช่น้อยบิณฑบาตขอไม่ให้ทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาพี่น้องค้องเดียวกันอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมอย่าทะเลาะสร้างแต่บัณฑิตในใจอย่าเอาพานมาไว้ในจิตสร้างบันฑิตไว้ในใจเธอรตรอเธอที่สุดแล้วท่านก็ไปโปรดสัตย์อย่างนี้ตลอดไปห้ามเล่นการพา น, านัน อบายมุกหาความสนุกในสังคมอบายมุกปากทางความชิบหายเล่นกาพน้านี่ยมันชิบหายท่านก็พูดไว้อย่างนี้ชัดเจนถ้ใครไปเล่นเข้ามีแต่ทางถล่มสลายชิบหายไปชัดเจนมากเลยเห็นคุณค่าของพระองค์ที่มีต่อชาวโลกนั้นแล้วจึงได้เอาอาหารและบิณฑบาตมาถวาย บุปปปปกปันเหตินปาตันจาาสายยนเหตธรรมเทศนังตอนเย็นก็แสดงธรรมโสดาประสาทั้งหลายที่ขูโอวาทางตอนวข้ามกา็สอบอารมณ์กรรมฐานพิถุบริษัทธ์อัธรตเทวปันนาหนงตีที่สองยี่พรนาริกาแก้ปัญหาเทวดาพระองค์ไม่เคยชงว่าพัพพาพัพเพวิโลกนัง ไปสี่เลงยานว่าจะไปโปรดใครก่อนยานใครจะมาเข้าอายินสกาเข้ามาเข้าคือโจรองปริมาณจะไปฆ่าแม่และองจึงได้ลุกหน้าไปบิณฑบาตขอไม่ให้ทําความชั่วต่อไปอายินะกาจึงได้ขอบวชในระศาสนาอันนี้เรียกว่าโปรดสา์อย่างนี้ไม่ใช่บิณฑบาโตโปรดสา์จะไปขอเข้าแกงบบนโนงขอเข้าแกงบบนนี้คงไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นตามบินทบาทของพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ไปขอข้าวแง้งคุยกันเป็นลิมข้าต่างชนีดเมื่อที่เมา อ, อย่างนี้อยูอว่าขอทานไปบินทบาทตสอดสัว์เดี๋ยววันช่อมรวมต้องวอนระวังตายสิกขาสามครบรวยเสียสมาธิปัญญาญาติโดยงกำลังทะเลาะการเห็นประสงมาบิณทบาทก็ชื่นใจ เลยอารมณ์เสียก็กลับไายใจดียกมือไหว้พระมาปลอกแล้วถึงบ้านเราแล้วท่านก็มาไดีพูดอะไรท่านก็ยะถาปัจจะยังบิดฑบาโตตถาภูมปปิคักโกีต บ, บุคคโลทาตุมัตโกวิสัตโตเป็นตน้นไม่ใช่ว่าพุทโธไม่ใช่ว่าไปยะถาถาพีกลางถนนอย่างพระพุงแเจไม่ใช่เลยนะ ละตองว่ายถ า, าปัจจยังบินท ป, ปาโตตถาภูปคุณกโกจะบุค โ, โลเป็นต้นเรียกว่าพิจารณาเดววินไปพิจารณาบินท ป, ปาโตอาหารการลบินาบาททั้งหลายก็ท่านก็พิจารณาของท่านเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงบรญพ ช, ชาใหม่ม ข้าวกว็าดาแงกงก็เขมปิตถาหรือจะเต็มใจกลื่นซึ่งมีปฏิสังขาโยนิโสบินดปาตัางปฏิเสวามิเราจะเห็นระคือวัดเราก่อนจะฉันต้องพิจารณาข้าวแตงก่อนว่าปฏิสังขาโยนิโสบินดปาตัางปฏิเสวามิเป็นต้นอันนี้มีความหมายอย่างนั้นให้พิจารณาอาหารการบริโภค อย่าบริโภคอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายจึงจะได้ยินเสียงพะปฏิสังขารโยบินทปาโตญาติโยมที่มาเจริญกรรมาฐานจึงตัดข้าวตัดหนอพิจารณาข้าวเนี่ยแล้วแกนเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายไหมแล้วก็ทานหนอเชี่ยหอยละเอียดหนอแล้วก็คลือนหนอต้องมีสติทุกอริยบทในการ การรับทานอาหารเป็นต้นถใครเข้าใจในการปฏิบัตินี้ท่านจะเปิดปัญญาญาณชั้นสูงจนสาธุชนทั้งหลายเขาเล่าการจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนเล่าเขาปวดท้องปวดท้องมาหลายนานจมทีนะ่แล้วก็จะไปผ่าท้องหมอไปก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจัดการผ่าด่วนเลย พาดวนเลยเขาบอกว่าหลายวันทานมาไปเดือนเขาไปทานผักไปทานผักแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้งูลูกงูอ่ะลูกงูมันอยู่ในผักก็กินลูกงูเข้าไปเคี้ยวเข้าไปเตืมลงไปเลยลูกงูมันก็ไปเต็มอยู่ในท้องพาแล้วยาวต้องสามพุตแลมั้งทำไมพาตายเลยนี่แหละ กินไม่ได้ดูเลยลูกงูกตัวเล็กๆมันอยู่ที่ผักะนึกอินจับผักก็ได้แบบเชี่ยวกลวงๆปลาล่าใส่เข้าไปเราคนก็กินอะไรเศษอาหารกินอาหารเข้าไปไม่ได้ดูมดดูอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าสอนละเอียดมากจะทานอะไรอย่างพระต้องพิจารณาอาหารก่อน ตอนที่เจ้าชายไปบัปรพะชาใหม่ๆฉันไม่ได้ข้าวมันดำจ ะ, สะเสวยอาหารในวังมีมากมายไก่กองจึงต้องพิจารณาข้าวข้าวกน้ดำแกงกอกเคมสุดท้ายถาลจะเต็มใ่ใจกลืนอ๋อสุท้ายเปนักบวชแล้วต้องพิจารณาตัวเองต้องช่วยตัวเองเนะต้องพึ่งตัวเองต้องสอนตัวเอง ท่านสาทุชนผู้มาปฏิบัติธรรมไม่ต้องเลือกอาหารขอให้สะอาดอย่าให้สกรปรกแล้วก่อนทานก็ตากมาด้วยมันมีอะไรอย่างนี้นึกเปล่ามีขนาดเนี่ยตากออมาแล้วผัพกิงเข้าไปนู่มาเป็นเวลาแมเดือนหรืออะไรจำไม่ได้ปวดท้องเขาเล่ามว่าเธอเนี่จจำไม่ได้กับใครเล่ากุงเทพ เรียกผ่าท้องเลยงูตัวยาวเลยกินงูเข้าไปลูกงูเล็กๆอยู่ในทนะ่ะนี่เลยไม่ไม่เด็ดพิจนาเลยแล้วก็มีไป็พิจเป็นไทยทำมาผ่าก็ตาย เ, เนี่ยงูยาวเป็นต้องหลายฟุตอยู่ในท้องมันไปเป็นในท้องได้ไม่น่าเชื่อจะคนเล่าจะเป็นหมอหรือเป็นอะไรพาท้อง่ะงูอยู่ในท้อง พื้นที่ในผักมันดีในผักลูกงูไข่งูอะไรต่างมาไปโตในท้องด่ไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นตัวพยาธิอย่างยา ว, วยดืดๆเรือตัวท้องคืบในท้องเราตายไปทั้งอุจละบังอะไรบ้างมันยังไม่ตายใช่ไมมาทิ้วพยาธิมากมากเอาไปาเป็นโรคมะเร็งไปอีกต้องตายอย่างนี้นี่ยัง พุทธเจ้าจึงได้สอนเราท่านพุทธศาจิกาจังหลายให้พิจารณาก่อนจะทานข้าวพิจารณาก่อนญาสองจึงต้องปฏิสังขารโยมโชติบินถาปะตังปฏิเสวามิบางวัยเขาไม่ไม่พิจารณาต้องพิจารณาทุกอริยบทจะทานกระชันแต่ละธรคำญาโยมก็าทานต้องพิจารณาก่อนไม่ถึงนึกจะ ทานก็าทานทรงเดียดไปเป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายไปเป็นโรคตโลคาในร่างกายถึงจะความตายได้นี่แหะพระเจ้าสอนทุกประเบียนนี้สอนทุกทุกอย่างขอพระเจ้ยายอมมาด้วยในโอกาสเนี่ยเข้าทางพุทธศาสนาเข้าทางไหนนี่แหละบางคนไม่รู้เลยนโมเนี่ย ต, ต่างๆนโมก่อนคื อ, อไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้เราตั้งนโม เราเคารพบูชาพระพุทธเจ้ายักษ์มาเป็นตัวอย่างทุลินทาหูมากตาตาศิลายักษ์อาศูนย์ต่างๆลาบเท้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ า, าสูงใหญ่มากยักษ์เลยเล็กลงไปตั้งนามโมขึ้นสามจบตาตาศิลายักษ์ว่ากันโนรท่อนคล ท, ท่อน เลยก็พวกชาวโลกเห็นดีเลยตั้งนโมนอบน้อมตอบพระพุทธเจ้านอบน้อมตอบพระธรรมนอบนอมต่อพระสงฆ์นโมแปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไป็นงอนนอบน้อมประตันดูเชิดจุลเบียเพียบเดี๋ยวินัยตั้งใจศึกษานํามาพนทุกันถุกอนันต์เป็นหลักสําคัญทำทั้งหลายการใส่ใจมีนโมไปลามาไหว้คือนโมนียักษ พระพุทธเจามันจะสอนให้ตั้งน้ำโมหรือให้ไปว้ท่านแทดงอาการใดการบอกการสอนทุกอย่างยักษ์จะถ่มน้ําลายลดหน้าลดอะไรท่านก็ไม่โกรธไม่ว่ากันไรแต่สอนอย่างเดียวว่าให้ท่านสร้างต่อความดีอย่าทะเลาะกันถึงจะเป็นยักษ์อดก็อย่าให้จิตใจเป็นยักษ์ร่างกายเป็นยักษ์จิตใจขอให้เป็นมนุษย์ มีสิ่งทานบริสุทธิ์ในจิตใจของท่านสิตเป็นยักษยักษเทีวยักษ์ไหลยักษ์เหาะ ย, ยักษ์เหนือยักษ์ตายเลยยักษ์ก็เกิดศรัทธาว่าพระพุทธเ จ, จ้าสอนดีมากจึงได้ตั้งนโมขึ้นมาอ้อน น, อน้อมตอบพระพุทธเ จ, จา้าแต่คนไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีจะไหว้โสพระสงองค์เจานน้าวิขิตสวดมนต์ไหว้พระไม่ค่อยจะมีไม่เคยสวดมนต์และสวดไม่ได้ด้วยสวดไม่ได้ เข้าถึงทางพระลักษณะใจต้องเข้าทางทางไหนนโมอ่อนน้อมไปก่อนทานศีนลภาวนาตองบริจาคทานทานแล้วมันง่ายกับศีลเอาง่ายมหายาก็ทานบริจาคเนี่ยเพื่อการเสียดโดยที่ว่าตรวหนีเหนียวแน่นออกไปเป็นทานแล้วถึงจะรักษาศีลมีสติสัมปชัญญะได้ง่ายขึ้น ข้าวทั้งนี้ทานศีนลภาวนาแล้วข้าวทางรัตนา์ตายก็ข้าวทางพระพุทธธรรมผสมกัณฑาทุชนทั้งหลายพระพุทธคืออะไรพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ารัตน์ตายยึดเหนี่ยวทางใจตลอดชีวิตตั้งแต่บัตรนี้ไปจนไปที่เราเรียกว่าพุทธทางชนังกัจฉามธรรมมังสรนังกัจฉามิ สังคั ง, งสนังขจามิมีเข้าทางนี้ทางภูสัตนะพุทธังแปลว่าระแปลว่าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือพระองค์สาเร็จสมโพธิญาณแล้วนั้นสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์นี่คือพร ะ, พ, ะราาพุทธเจ้ามีคุณชมบัตอะไรที่เราต้อนับถือเข้าทางพระพุทธเจ้ามีคุณชมบัตทาง ทางนี้คือหนึ่งพระปัญญาคุณสองปัญญาคุณวิสุทธิคุณละมหาโุณณาทิคุณเข้าทางนี้ที่โยมมาปฏิบัติกันนี่แหละปัญญามีสามปัญญาหนึ่งสุตามยปัญญาปัญญาที่เราสะดับจับฟังสนใจฟังแล้วก็ทบทวน แล้วก็ปฏิบัติทันทีลอรีแต่ประการได้เกิดปัญญาในการสดับหับฟังเรียกว่าสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับหับฟังเกิดปัญญาได้เนี่ยข้าทั้งนี้สองจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์บริเลียมดําเนินงานทันทีลอรีแจกประการได้เกิดปัญญาในทางคิด ดุลนภินิษพิจารณาให้เกิดสมาธิภาวนาเป็นต้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเข้าทางไหนอีกเข้าทางภาวนาคือว่าภาวนามายปัญญาปัญญามเกิดสามทานเข้าทางปัญญานี้ภาวนามายปัญญาเกิดทางภาวนาเช่นกำหนดทองหนอกุ๊กหนอเป็นต้นเดินหนอห้าครั้งแล้วก็เดินตรงกลม ภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากภาวนาภาวนาให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ปัญญานั้นสามารถจะกําจัดความชั่วเกในตัวได้มีเข้าทางพุทธศาสนาต้องเข้าทางนี้แปลว่าความชั่วในตัวหมดไปความดีมาแทนที่เรียกว่าภาวนามายะปัญญาภาวนาให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญา ภาวนาให้ให้เกิดเองโดยเฉพาะไปเรียกว่าพองหนอลุบหนอเป็นตน้นสามารถจะกําจัดความชั่วจากตัวได้นี่เรียกว่าภาวนาข่าทั้งหลักศาสนาต้องข่าทั้งนี้เกิดปัญญาแล้วสามารถจะเอาความชั่วจากตัวได้สิ่งเวลวร้าที่อยู่ในตัวนะั้นกำจัดออกไปได้ด้วยปัญญาที่ละเอียดอ่อน เกิดปัญญาในการภาวนานี่เองให้มีสมาธิก็เกิดปัญญาได้ปัญญานี่ขับเอาตัวทั่วออกจากตัวไปแล้วก็ทำให้จิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิคุณของพุทธเจา้าเข้าตั้งวิสุทธิคุณคนที่จะบริสุทธิ์ได้จ้องมีภาวนานะททำให้เกิดปัญญาก่อนในเมื่อเกิดปัญญาแล้วความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้น ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ลงโทษใครวิสูิ์แต่ว่าใจสิดใสขยายปัญญาแล้วจะเกิดเมตตาทันทีเพื่ออารีอาทรไม่ลอนใจจะมีแต่เมตต า, ตาปราณีอารีเอือ้อเพื่อขาดเหลือคอยจะโดยฤดูการเสมอนี่เรียกว่าปัญญาเกิดด้วยจิตบริสุทธิ์เรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณของเราพุทธเจ้า เขหลบแล้วมีอสามคือพระปัญญาคุณเพราวิสุทธิคุณาาาพระมหากรรณสูที่คุณนี่สามประการเจ้วคุณค่าของพระธรรมนี่เข้าถึงพระธรรมเนี้ยพระธรรมแปลว่าอะไรพระธรรมแปลว่าละความชั่วสร้างความดีสร้างใจิตให้โอร่งใสใจสะอาดแปลวะ่าละทั่วสร้างความดีมีปัญญา เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยคุณค่าของพระธรรมแล้คุณค่าของพ ร, ระสงฆ์องค์ระสาวกได้แก่พู้ปฏิพัติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วแล้วก็สอนตัวเองให้ได้ก่อนแล้วมาสอนตัวเองให้ได้ก่อนแล้วจึงไปสอนคนอื่นเขาเรียกว่าคุณค่าของพระสงฆ์พระรัตนาการสามประการเรียกว่าพระพุทธเจ้ามีสามพระธรรมมีสาม ถ้าสองมีสามแปลว่าสามสามต้าต้องกลาวนาแนนอนนี่ข้าวทั้งนี้ถึงผู้ศาสนาต้องตอบให้ได้แต่ใครตอบไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ชาพูดแล้วไม่รู้จักคุณค่าก็พูดเจยๆไม่รู้จักคุณค่าของวัรรมไม่รู้จักคุณค่าของพระสงอ์องค์ภาษาวกแปลว่าก็ไดต้องข้าวทั้งนี้แปลว่าสามสามต้า ใน ม, าามืสามสามเก้าได้กับตัวเองได้แก่เจริญตกรรมฐ า, านมีทั้งพระพุทธเจ้ามีทั้งพระธรรมเจ้ามีทั้งพระสงฆ์เจ้าในตัวเราเดินตรงกรมขวาอย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วก็เอาขวาทิดเข้าไปหยุดหนอหยุดหนอ กลับหนอกลับหนอกลับหนอให้ช้าๆแล้วก็ยืนหนอ5้าครั้งนี่แหละคุณค่าพระพุทธธรรมสองอยู่ตรงนี้แล้วก็เยืนหนอหลับตาดูจสต็จของหลับดูภาวะของหลับดูกฎแห่งกรรมว่ามีอะไรไหมทามีปัญญาเกิดขึ้นมาลายจะรู้ว่าเราทำกรรมอะไรไว้ สร้างไว้มาลายไปฆ่านกตรงไหนอย่างไรเช่นตะมาเป็ น, นต้นก็ไปหากคอนกตรงคอตัวเองหักนี่ก็จำทําตรงนี้รู้เรื่องรู้ลวงหน้าดาอย่างและเลืมตาดูเท้าก็เดินไม่ใช่ของง่ายเลยนะที่ท่านมาเนี่ยตอนอยากคิดว่างามาจุ้มจิ้มจิ้มจอมจอ ม, จ ม, จมแล้วก็กลับไปแล้วไม่ได้อะไรเลยกลับไปก็ไปนั่งทะเลาะกับพี่น้องอีกแย่งสมบัติกันอีกนี่มีตัวอย่างในวัดนี่เลย ถ้าทําได้เนี่ยท่านจะไม่แย่งร่มบัตรท่น า, ทานมีแต่เมตตาพี่ต้องช่วยน้องน้องต้องช่วยพี่สร้างความดีให้พ่อแม่ชัดเจนมากคนไหนเป็นพี่ชายคนโตต้องเป็นพ่อคนไหนเป็นพี่สาวคนโตต้องเป็นแม่ช่วยเลี้ยงน้องให้พ่อแม่เบาวใจพ่อแม่ว่ากลายต้องปฏิบัติตามนี่สิคือคุณพระพุทธธรรมประสองเมีอยู่ในบุคคลใด บุคคลนั่นจะอ่อนน้อมทําตนจะไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องทะเลาะบาแวงกันบ้านนั้นจะเป็นบ้านแสนสุขเป็นบ้านสนุกสบายเป็นบ้านดูเย็นเป็นสุขเป็นบ้านมหมามงคลชีวิตมีชีวิตที่แจ่มใสแล้วก็ไม่มีอุปร้อนอกร้อนใจแฉะประการใดอันนี้สำคัญมากแต่บางคนไม่สนใจอย่างนี้เลยมี่แหลท่านขาติพุทธทั้งหลายเข้า ไปทางพระพุทธศาสนาต้องเข้าทางนี้ทางคุณพระพุทธเจ้าประทรนประสงค์จะได้ยินเสียงชาสวดมนต์นะโมเศรียาเถะว่าพุททางสรานางกัดชามิธรรมังสรานางกัดชามิชังทางสลานางกัดชามิทุติยามปีพุดทางสรานางกัดชามิทุติยามปีธรรมังสรานางกัดชามิทุติยามปีชังทางสลานางกัดชามิ ปิยามปีพุทธทางพร ะ, ะนางขจามินี่เนี่ยสามลัตนะเป็นแก้ว9้าประการแก้วเก้าประการนั่นก็คือนวราชเก้ามีทั้งทูติตาติเห็นไหมเนี่ยเก้าประการแต่รัตะนะมีสรัตะนะทําให้เกิดเป็นแก้วเก้าประการแก้วเก้าประการก็คือทูติตาติพุทธทางสระนงงัจามิธรรมังสระนงงัจามิชั้งทางพระนงงัจามิ ทุติยามปีพุทธทางนังกชามิทุติยามปีทังทนังกชามิทุติยามปีสังทังทนังกชามิตุยามปีพุทธทางทนังกชามิตติยามปีทำมังทนังกชามิตุติยามปีสังทางทนังชามินี่คือก้าประการแปลว่าสามสักถ้าคนเข้าดาวทางนี้เจริญกรรมฐานก็ง่ายขึ้นนี่คือปัญญาเนี่ย สิ้นสมาธิปัญญาเรียกว่าตายสิกขาสามชาพตายปิดกละวินายปิดกพระตูตานปีดกพระปีตานปีดกรวมสรุปเหลือสามเรียกว่าตายสิกขาถ้าสอ์ที่บวชใหม่นั่นคลองผ้ากลายแล้วยังต้องทิ้งตายสิกขาไม่ได้ไปไหนต้องมีศิ้นสมาธิปัญญาติดตัวอยู่เสมอเรียกว่าไม่ทิ้งตายสิกขาสาม นี่อย่างที่กล่าวมาแล้องขังตัวรุกป ร, กรังแล้วการเจริญปฐมาฐานก็ง่ายขึ้นมีภาวนามีทั้งทานศีลและภาวนาโดยเครื่องแก่บุคคลนั้นจะมีสตีดีกำหนดพ อ, องนอนยุบหนอให้ช้าช้าหายใจให้ยาวที่สดุดคนนั้นจะใจเย็นลงไปมากใจไม่ร้อนใจผ่อนคลายเครียดไม่เครียด ไม่ตึงแต่ประการได้จิตใจก็หยอดลงไปเรียกว่าใจเย็ น, นเมื่อใจเย็นแล้วก็น้ำก็ใสไหลมาเห็นตัวปลาสายสะอาดหมดจดเลยกลายเป็นคนบริสุทธิ์ไปจะไม่มีเรื่องร้ายกับใครจะไม่ทะเลาะกับใครมีแต่อารมณ์ดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาก็ได้กตะตายศึกษาสามเป็น ส, สมาธิปัญญา นี่แผู้ปฏิบัติทำไม้จะยวยาวเขา้าแล้วคนเหลเนี่ยพิมพ์ตัวไม่เหมือนกันจะขอเจริญพอรอย่างนั้นบางคนเนี่ยมีโลภะหายใจอย่างนี้เปล่ยนตัวต้องเหม็นอย่างนั้นบางคนมีโทสะจริตอิจฉาริษยาเปลนตัวเหม็นอย่างนั้นหายใจอย่างนั้นคนที่มีโมหจริตไม่เอาเนื้ อ, อ, อตายจะประการใดหายใจอย่างนั้นสิ่ยนตัวอย่างนั้นออกมาทันที เลยก็ผู้มาปฏิบัติเนี่ยบางคนเปลิ่นตัวเหม็นแต่นี่มัต้องออกชื่อครับเปลี่นตัเหม็นมากเป็นสาวด้วยยืนอยู่แค่ประตูยังเหม็นมาแล้วเลยมานั่งกรรมฐ า, านเขา้าให้เขามาพิสูจน์เองใา้ใจยังยาวให้ช้าแล้วก็ให้ผูกสายเกลืนแล้วก็อิจฉาแม่ก็เห็นทันทีว่าอ๋อเราผิดเราไปอิจฉาแม่อิจฉาญาติน้องทุกประการ แล้วก็หายใจสร้างตัวถึงเหม็นเปิ่ยนเช่นดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นเปลี่นตัวคนจึงเหมือนกันไม่ได้ดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นการจเจริญกรรมฐ า, านไม่ใช่ของง่ายกานทั้งหลายถ้ามาด้วยความตั้งใจตั้งใจปฏิบัติแล้วนั้นท่านจะได้ผลเรื่องสมค่าศาสนากลับไปบ้านท่านจะไม่มีเรื่องการพี่น้องจะไม่แย่งสมบัติกันเนี่ยบางคนมานั่กากรรมฐานแท้ๆเสียใจด้วย ลราไปทะเลาะแย่งก็บัติจันพ่อแม่ว่ายังไงไม่เชื่อไปก้าวล่ากับพ่อกับแม่ด้วยนี่เป็นสาวสแท้ๆนี่แหละมนันน่ากรรมฐานไม่เอาปฏิบัติไม่ได้สนใจในปฏิบัติเข้าถึงพระพุทธศาสนาคือเข้าถึงพระพุทธธรรมไม่ถึงไม่เข้าถึงธรรมเลยเลยก็กลายเป็นคนที่กลายเป็นคนที่ใจร้อน ไม่มีธรรมระแปรจำใจไม่มีจิตเป็นกุศสนไม่มีแม่ตาปราณยารีเอื้อเพื่อข่าเหลือใครดูกันแต่ประการใดเนี่ยแล้วก็ปัญญาก็ไม่เกิดด้วยแล้วก็ดวงใจก็คุณมัวไม่ใสใจไม่สะอาดหมดจดเวลาใดทำใจผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วทูมีค่าทุลาสุ่เวลาใดทำใจหลาขีมันมันีแตกหมดตนราคา <c oughs> มันมันีแตกหม ด, ดลดราคาเวลาใดทำใจผ่องแผ้วมันได้แก้วมีค่าทุลาสีเวลาใดทำใจลาสีมันมันีตกตัวแตกหม ด, ดลดราคาอันความถุกทางใจมีหายากคนสวนมากไม่ชอบจะแสวงหาก็สแสวงหาจะความถุกสนุกเป็นหูตามันจะพาชักรูงให้เรายุ่งใจไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลแต่ประการใดนี่แหละ ท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าท่านเข้าถึงพุทธธรรมเนี่ยใจท่านจะเย็นใครว่าอะไรจะไม่โกรธไม่เกลียดเนี่เสียงหนอเ้าด่าเราไม่สติว้ที่หูอินทรีย์หน้าที่การงานรับผิดชอบรับผิดชอบต้ อ, องหูตารับผิดชอบเห็นหนอเขาทําท่ า, ท, ท, าทําทางตาทางไม่ดีเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาคิดญญด้วยปัญญาที่ลิ้นไปเนี่ย โกรธใครก็กำหนดให้จะยาวๆตั้งแต่สมุขถึงสะดุดกำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอให้ใจเข้ายาวๆรับรองหายโกรธแน่จะไม่โกรธต่อไปจะรู้ว่าปัญญาจะบอกว่าโกรธเรื่องอะไรโกรธว่าเขามาด่าเราแต่ปัญญาตัวลึกซึ้งอยู่ภายในในคุณค่าของประธรรมนั้นก็จะบอกว่าไม่น่าโกรธอย่าไปโกรธเขาเลย มันเสียเวลางานเสียเวลาทําให้เราต้องเสียสมองไปว่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์ถดทิพนเด็ดเดการได้นี่แหละพี่นอนถึงแย่งสมบัติกันก็เพราะอย่างนี้เพราะไม่มีธรรมะไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์หาจิตใจใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้เลยพ่อแม่ว่ายังเสียงพ่อแม่ทาไม่ตกว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ ย, น, ยนี้ก้าวลาวกับพ่อแม่มากเราว่ากระชวงเข้ามาดาวรินทาสอนออตามโรงเรียน เขาบอกว่านั่งสมาธิเสียเวลาเลยอ่นั่งสวดมนต์ไหว้พระเสียเวลาทั้งนั้นสร้างความดีเสียเวลาแต่กินยาบ้ายาม마ไม่เสียเวลาติดยาบ้าไม่เป็นไรเพราะอ่อตามโรงเรียนเขาบอกว่ากระทรวงศึกษ า, าเอาศีลธรรมไม่มีแล้วแล้วภูมิศาสตร์ปะวัติศาสตร์ก็ไม่เคยสอนในโรงเรียนเขาออกหมดแล้วไปสวดมนต์ไหว้พระไม่ตองก็ไปเหนือมาใต้ไม่ตองอะไร เขาบอกกันอย่างนั้นเนี่ยเลยนึกว่าหน้าที่ได้นะประเทศไทยปู่ย่าตายายลูกหลานต้องเคารพบูชาไปลามาไหวอ่อนนอ้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนก็หมดไปก้าวลาวกับพ่อแม่ปออบอกว่าสิทธิของเด็กเขาให้ก้าวล้าวได้สิทธิสามารถจะเสียงพ่อแม่ได้พูดด้วยสิทธิของเขาอันนี้ตามมาว่าขอขอจเจริญพร ประเทศชาติถึงจะไปไม่รอดแน่นอนที่สุดตามโรงเรียนทั่วๆไปดเด็กเนี่ยเจอพระก็จะชนเจอคนแก่คนผู้สูงอายุก็จะชนไปลามาไหวอ่อนน้อมทำตนเพราะประทานโทษโดยทายก็ไม่มีเพราะไม่มีธรรมะไม่มีพุทธศาสนาอยู่ในจิตใจของเขาอย่างที่กล่าวมาแล้วขัานตอนทุกประการถ้าลูกต้าวลาวไขพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระแล้วลูกเขาจะสวดตาม เขาจะสอนความดีกับลูกทำถูกกับหลานรักให้ถูกวิธีตามความดีให้ลูกดูเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพ่อแม่ก็ทะเลาะ ก, กันแถมกินเหล้าเมายาอีกเลยลูกก็เสียผู้เสียคนต่างอย่างที่กล่าวแล้วทุประการการเจริญกรรมาฐานก็ขอเจริญพรว่าทำยากถ้าท่านต่างใจนะต่างใจเดินจงกลมหนึ่งชัออง่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงมีเวชนะกาหนด อ้หนอก็ำหนดที่ลิ้นปีบางคนไม่รู้จักลิ้นปีดีใจก็กำหนดเ็ราว่าถ้าดีใจแล้วมันไม่ได้สมหวังเดี๋ยวจะปรงไม่ตกจะเสียใจต่อภายหลังอันนี้เรื่องสำคัญมากพระพุทธเจ้าต้องให้มิสถิทุกอันบทจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเลีวขวาคู่เหยียดเหยียดขามีมสติทั้งปัญญาไวา้เดินรงกรมให้ช้าทีสุดอย่าเดินไว แล้วก็กําหนดทุกอย่างตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องกาหนดถ้าไม่กําหนดนะครท่านจะไม่ได้ดผลกนจะขาสติจัมปัญญะแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องกาวหน้าไปด้วยมีสติจัมปัญญะจะทําอะไรก็มีสติจะพูดจะทําฉลาดในการคิดฉลาดในการทําฉลาดในการพูดก็คือฉลาดนั่นคือตัวปัญญ า, าเหลียวใจนั่นคือตัวสติปัญญากับสติต้องให้อยู่ด้วยกัน ปัญญาแปลว่าฉลาดเคลียวใจแปลว่าสติสัมปชัญญะแปลว่าปัญญาระวังครบจบรายการทั้งสติทั้งสัมปชัญญะไม่ลดละภาวนาสติตัวต้นสติตัวกลางสติตัวปลายสมปรารถนาดังฤษีแจงแสดงมาณบ้าปัดนี้นะก็ขอใหญาติโยมพุทธบริษัตวทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติทั้งโยมหญิงโยมชายท่าตั้งใจ รับรองได้ผลกลับไปบ้านก็ทําต่อไปอย่ า, ยาไปทิ้งเช่นบางทีทำเนี่ยสองสาวันกลับไปเลิกเลยปีหน้าพ้นมาใหม่สองสาวันไม่ได้ไเลยเลยท่านจะเสียใจต่อไปหลังมีของดีอยู่ในตัวผ่าไปทิ้งแต่อของชั่วมาแทนนะท่านจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเประการใดเราจะในการจเจริญปรกรรมฐานไปทําให้เสมอต้อนเสมอปลายเช่น ปฏิสมบัติสร้างความดีต้องให้ถูกสถานที่อุปัติสมบัติสร้างความดีถูกตัวบุคคลาราหะสมบัติสร้างความดีต้องให้ถูกกาลเวลาด้วยประโยคาสมบัติสร้างความดีเสมอต้นเส ม, อ, มอปลายก่อนนอนก็เดินตรงกๆใช้ชั่วโมงหนึงหน่งนั่งใช้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นอนยาประทําไปเลยอดีหมดต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจรับผิดชอบตาเห็นก็รับผิดชอบกําหนด โอ้ยยงเสียงรับผิดชอบจะทํางานก็หน้าที่การงานรับผิดชอบด้วยอินทรีย์หน้าที่คอยระวังรับรองท่าน ง, งานได้เด่นจะทํามาค้าจินก็ขายดีขายดีรับราช ก, การก็จะเดินเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ดีจะทําอะไรก็ได้มากได้ผลสมปราถนาดังได้มีศีลละมาที่ปัญญาเพื่อการเจริญสระกรรมาฐานดังที่ชี้แงจงแสดงมาในบัตรนี้เพราะความสุขสวัสดีจงมีแต่